259าาศาสนาพุทธมีคำสอนเพื่อไปสู่การรู้จักอำนาจศาสนาพุทธนั้นพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ให้คนรู้จักรู้แจ้งรู้จริงพลังงานอันเป็นกินิยามของตนสามารถรู้แจ้งรู้จริงพลังงานในจิตที่มีอาการ ความเคลื่อนไหวเท่ากับคิเนติกต่างๆอย่างครบถ้วนแม้อาการทุกข์คืออย่างไรเกิดจากอะไรดับได้อย่างไรอาการสุกเกิดจากอะไรอาการที่ชื่อว่าเวทนาคืออะไรอาการที่ชื่อว่าสงสารคืออะไรทำอย่างไรจึงจะหมดสิ้นเวทนาที่เป็นทุกข์ในจิตตน ทำอย่างไรจึงจะสามารถจัดการกับสงสารที่เป็นทุก์ได้ดีสุดประทั่งรู้จักรู้แจ้งรู้จริงในศาสตร์ที่ว่าด้วยแรงเคลื่อนทั้งหลายทั้งหมดไดนามิกในความเป็นจิตใจของตนถ้าเรียกด้วยภาษาวิทยาศาสตร์ก็ดังนี้ อนุัยความนิ่งที่ยังมีพลังงานแฝงอยู่ในอัตตก็คืออะตอมโพเทนเชียนอินเออร์จีพลังงานที่ชื่อว่าอาสวะยีนเป็นอย่างไรแม้แต่ความเป็นนิวตรอนในนิวเคลียสเป็นพลังงานเชิงบวกโปรตอนในนิวเคลียสของอาสวะนิวเคลียสคือคู่หนึ่งธรรมะสองเท่ากับทเวธรร ม, มา ของความว่างนิวตรอนกับวิญญาณโปรโตอนเป็นต้นอัตรานิวเคลียสบวกอิเล็กตรอนคือธรรมสองหรือธรรมคู่หนึ่งหรือคือความเป็นกายองค์รวมของรูปกับนามนั่นเองกระทั่งปฏิกิริยาที่ธรรมะสองนิวเคลียสเท่ากับเพศชายบ้างเพศหญิงบ้างของอัตราที่เบากว่า ทำให้เป็นธรรมะสองเพศชายยกกำลังเท่ากับ xx ที่หนักกว่าก็รู้จักรู้แจ้งรู้จริงเช่นสามารถทำอะตอมของรูเทเรียมรวมกับอะตอมของฮีเลียมเป็นต้นนิวเคลียร์ฟิวชันให้มีจำนวนหรือน้ำหนักริดแรงตามประสงค์ และสามารถจัดการอภพพสังขารกับความเป็นการแตกตัวของนิวเคลียสของอัตราให้เป็นธรรมะสองของอัตราที่เบากว่าแต่มีพลังงานยิ่งกว่าปราศจากรังสีพิษ x y เท่ากับละหูตาแล้วจึงปล่อยพลังออกนิวเคลียร์ฟิชชันได้สำเร็จ เพราะรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็นพลังงานที่เกิดในจิตใจจริงและสามารถทำจิตใจในจิตใจมนสิการทั้งสามารถจัดการปรับปรุงอภิสังขารให้จิตใจในใจิตใจเป็นสังฆตฏธรรมสาเร็จตามประสงค์ทั้งดับไปสนิทได้ทั้งปล่อยออกมาทำหน้าที่ได้ ที่สุดจึงสามารถทำลายพลังงานที่เป็นรังสีของกรรมันตภาพในพลังงานนิวเคลียร์โดยจัดการกับจํานวนของรังสีที่เกิดใหม่ไอโซโทปเมื่อมีการแตกตัวของพลังงานใหม่กีโนมทุกตัวให้เป็นไปตามต้องการได้อย่างสำคัญ จึงเป็นผู้ควบคุมปรมานูเพื่อให้เกิดสันติภาพได้แท้จริงเป็นที่สุดในโลกโดยเฉพาะโลกของจิตวิญญาณ